ครั้งที่แล้วที่เราเรียนสุตตมยญาณอภินยายานิเทศถือว่าจบหนึ่งภาณวาระสวดหนึ่งครั้งหมายความว่าพักหายใจหนึ่งรอบออมาขึ้นธรรมะสามร้อยโหหัวข้อนี่ลายชื่อนี่ว่าเป็นร้อยๆเลยไหมสองร้อยหนึ่งแล้วก็ว่าเยอะเลยใช่ไหมคูนกันไปคูนกันมาไปแล้วเนี่ยทั้งหมดได้กี่บทรู้ไหม 7จ็ดพันหกสิบเก้าบทแล้วก็ยังจะมีบวกอีกสามร้อยบทเนี่ยนะแต่ถ้าใครจะจำแต่ตัวเลขก็ดมยาหอม้วยนะฟังแต่ตัวเลขก็ตื่นเต้นเลยในอภินญญ า, านิเทศเนี่ยนะที่หมายถึงธรรมที่ควรรู้ยิ่งอย่าลืมว่าการกล่าวธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้ากล่าวอันหนึ่งอันที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วใช่ไหม ความสมบูรณ์ของธรรมะเนี่ยนะแบบลักษณหาระถ้ากล่าวอันหนึ่งธรรมะที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเมื่อกล่าวอย่างหนึ่งเราไม่สามารถที่จะกล่าวอันอื่นโดยโดยโด ย, โดยเอกเทศโดยส่วนเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นมีใครสามารถพูดาธาตุอันเดียวโดยที่เช่นใครสามารถพูดปฐวีาธาตุโดยที่ไม่พูดอาโปเตโชวาโยในที่นั้นได้ไหมเพราะมันคือสิ่งเดียวกันในความเป็นรูปไหมที่ใดมีปฐวี ที่นั้นต้องมีอาโปเตโชและวาโยที่ใดมีวาโยที่นั่นแสดงว่ามีเตโชมีอาโปมีปทวีพูดตรงไหนก่อนก็ได้เอาตัวไหนมาขึ้นเป็นหัวก็ได้หมดอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นธรรมะกลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันชั้นใดก็ดีในธรรมะพวกอภินญายนิเทศปริญยายนิเท ศ, ปยย เ, ทศเป็นต้นเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันถ้าพูดสิ่งที่ควรกาหนดรู้สิ่งที่ควรละ<ม>ก็ชื่อว่าต้องพูดด้วย ท่านก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยอภินญยนิเทศบางท่านว่ายาตะปริญญาไม่ใช่หรือทําไมจะต้องพูดอริยสัจทั้งสี่พูดถึงนิพพานด้วยล่ะทําไมกว้างขวางขนาดนั้นเพราะว่าการกําหนดรู้ที่ที่บริบูรณ์อย่างแท้จริงก็ต้องมีการละต้องมีการทําให้แจ้งแล้วก็ต้องมีการเจริญถ้าใครรู้ยิ่งจริงกําหนดรู้จริงอนะถ้าใครรู้จริง่งรู้ยิ่งจริงก็ต้องรู้อริยสัจเป็นต้น ดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วที่พองค์ตรัสกับเเสลพรามเนี่ยที่พงษ์ตรัสกับพรหมายุพรามว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรละเราละแล้วสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งที่ควรเจริญก็เจริญแล้วอันธรรมะเขาจะเป็นลักษณะนี้จึงไม่สามารถพูดอันใดอันหนึ่งโดยจําเพาะเจาะจงลงได้ เดียวมาค่อยๆไล่ในวาระในเป็นรอบๆที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เรียนภาพเรียนไต ท, ทบทวนไปจนกว่าคนสอนจะคล่องเอางั้นเน่ยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> บอกว่าจะว่าคนเรียนคล่องเขานึกอยากมาเขาก็มา มาดูนะว่าในบรรดาธรรมะเนี่ยนหนึ่งมีอะไรบ้างหนึ่งนะธรรมะสองร้อยหนึ่งเชื่อว่ามาเป็นลำดับแรกจำเป็นมากไหมธรรมะสองร้อยหนึ่งเป็นหัวข้อธรรมหลายท่านก็จำได้ถ้าจำได้ก็ดีสองร้อยหนึ่งนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหัวข้อเขาใหญ่ใหญนะขึ้นด้วยขันห้าอะไรอีกปีรูป ปนะรูปสาธรูปหกสิบไท่าหกะนะกระสินสิบอาการสามสิบสองายตนะสิบสองาสิบแปดอะไรอินรียีิบสองพบใช่ไหม ผู้รวมรวมเรียกับพสิบสองนั่นอะไรอีกอนะสมาบัติแปดพรหมวิหารหรืออ ป, ปมัญญาสี่อะไรปัจยากา ร, รกหรือปฏิจจสิบสองนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้สองร้อยหนึ่งนันะในธรรมะสองร้อยหนึ่งนนะก็มาหมุนรอบที่หนึ่งมาหมุนเนี่ยนะรอบที่หนึ่ง รอที่หนึ่งก็คือเอาอริยสัจมามาหมุนเช่นทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้คือบทหลักเลยใช่ไหมทุกขขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้ว่าทุก ทุกขสมุทยัยทุกขานิโรธทุกขานิโร ธ, าโรธาคาไม่นีปฏิปทาตัวที่เปลี่ยนมีอันเดียวพุทธพจน์ทั่วๆไปในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขานิโร ธ, าโร ธ, าโรธาคาไม่นีปฏิปทาฟังแบบคนเซื่อนะก็ได้อยู่คําเดียวตรงมากครับได้เท่านั้นไม่แตกขานเลยถ้าไม่มีปฏิสัมพิธาเขาฟังได้แค่เนี้ยแต่ถ้ามีปฏิสัมพิทาเลยนะไล่นะ ก็จะมาเป็นอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารว้ิญญาณได้เยอะเลยใช่ไหมรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโร ธ, รโรธาคามีปฏิปทาซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนคำว่าทุกขน์นี่เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธ เวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรดสัญญานิโรธคามินีปฏิปทาสังขารสังขารสมุทัยสังขารนิโรดสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรดวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทา ทีนี้ไม่ใช่มีแค่แค่ขันท่าติยรูปสาตรูปหกิบนะอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกก็เอามาสาธยายแบบนี้ได้เหมือนกันหมดกานคิดแบบคนมีปฏิสัมพิธานี่กว้างไกลมากสรุปว่าแบบผู้ได้ปฏิสัมพิธานะทุกศัพท์เดียวเนี่ยมีคาตัวแทนใช้สอง้อยหนึ่งค ท่า น, นก็ไม่เชื่อแค่แค่นี้ทุกอแต่ก็ดีนะโอ๊ยได้ขนาดนั้นแต่ว่าเทียบกับคนข้างในที่ได้ปฏิสัมพิธาร์บอกท่านกรุณาเลยนะฟังแล้วโอ้ยเขาได้เท่านี้เลยแต่คําว่านี้ทุกก็ยังไม่ค่อยจะกล้าเอามาคิดเลยนะจะรู้ว่าเราไม่ได้ปฏิสัมพิธามไม่แตกฉานอะไรเลยนะนี้ทุกก็ยังไม่ค่อยจะได้นะนี้รูปนี้รูปสมูทยัยเป็นต้นก็เลยอ่อนมา อันรอบที่หนึ่งนั้นในธรรมะสองร้อยหนึ่งข้อเนี่ยเอามาคิดทบทวนให้ดีพอรอบที่สองรอบที่สองนี่ก็เพิ่มกิจเข้ามากิจของอริยสัตว์เนี่ยนะถ้าเป็นกลุ่มทุกก็เป็นปริญญากำหนดรู้สมุทัยก็เป็นปหานะคือละนิโรธก็เป็นสั์จิกิริยาทำให้แจ้งทุกขานิโรธถ้าทำมินีปฏิปทาก็เป็นภาวนาภาวนาก็คือการเจริญ เพราะฉะนั้นทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมัดควรจเจริญ น, นี้ก็เปลี่ยนวัตถุดิบอีกเอาเอ า, เอาขันท่ามาเป็นวัตถุดิบเขาให้ก็รูปรูปรู ป, รปควรกําหนดรู้รูปสมุทัยควรละรูปนิโรธควรทําให้แจ้งรูปนิโรธาคามมนีปฏิปทาควรจเจริญเวทนา เวทนาควรรู้เวทนาสมุทัยควรละเวทนานิโรธควรทําให้แจ้งเวทนานิโรธคาไมินีปฏิปทาควรเจริญนี่นะสัญญาสัญญาควรกําหนดรู้สัญญาสมุทัยควรละสัญญานิโรธควรทําให้แจ้งสัญญานิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญสังขาร สังขารควรกําหนดรู้สังขารสมุทัยควรละสังขารนิโรธควรทําให้แจ้งสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญวิญญาณวิญญาณควรกําหนดรู้วิญญาณสมุทัยควรละวิญญาณนิโรธควรทําให้แจ้งวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญ ปิยรูปสารรูปเป็นต้นก็แนวเดียวกันรอบที่สามคือการบรรลุเนี่ยนะเขาบรรลุยังไงกันถ้าจะบรรลุนะเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทนี่แปลว่าตรัสรู้ถ้าจะบรรลุทุกก็ต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้ถ้าบรรลุสมูทัยต้องบรรลุด้วยละนะถ้าบรรลุนิโรธต้องบรรลุด้วยทําให้แจ้ง ถ้าบรรลุนิโรธขาดไม่มีปฏิปทาต้องบรรลุด้วยการเจริญเขมานึกขำผู้การหลายครั้งมันน่าบรรลุมากเลยนะตอนนั้นบรรลุอะไรไม่ทราบก็มีฟังนำไปเออน่าบรรลุมากมั้งมันนึกขำเลยนะอบรรลุอะไรมั้งแล้วก็อย่าลืมกิดนะข้าบรรลุทุกต้องบรรลุด้วยปริญญาคือการกำนัลรู้บรรลุสมุทัยบรรลุยังไงบรรลุด้วยการละบรรลุนิโรธต้องทำให้แจ้ง บรรลุมักต้องบรรลุด้วยการเจริญเนี่ยะก็ทากิจให้บริบูรณ์เหล่านี้จึงเรียกว่าบรรลุธรรมผู้ที่ปราาอยากบรรลุเหลือเกินบรรลุอะไรนะบรรลุว่าอย่างไงเป็นต้นเนี่ยนี่ก็เป็นคำถามที่ฟังแล้วก็แทนใจมากไม่เพราะเลยว่างั้นนะสำหรับคนที่ถูกเผามือนนะว่างั้นสรุปถ้าเป็นขันห้าล่ะรูปรูปนี้ต้องบรรลุด้วยการ กำหนดรู้สมุทรูปสมุไทยต้องบรรลุด้วยการละรูปนิโรตต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้งรูปนิโรธาคามินีปัตาต้องบรรลุด้วยการเจริญเนี่ยนะเวทนานะเวทนานี้ต้องบรรลุด้วยการกำหนดรู้เวทนาสมุไทยต้องบรรลุด้วยการละเวทนานิโรตต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้ง เวทนานิโรธคารมินีปฏิปทาต้องบรรลุด้วยการเจริญสัญญาสัญญานี้ต้องบรรลุด้วยการกำหนดรู้สัญญาสมุทัยบรรลุด้วยการละสัญญาเิโรธารทําให้้แจงสัญญานโรคามินีปฏิปทาบรรลุด้วยการเจริญสังขารสังขานี้บรรลุด้วยการกำหนดรู้ สังขารสมุทัยบรรลุด้วยการละสังขานิโรธบรรลุด้วยการทําให้แจ้งสังขานิโรธาขาไมิมีปฏิปทาบรรลุด้วยการเจริญวิญญาณวิญญาณนี้บรรลุด้วยการกําหนดรู้วิญญาณสมุทัยบรรลุด้วยการละวิญญาณนิโรธบรรลุด้วยการทําให้แจ้ง วิญญาณนิโรธาคามินีปฏิปทาบรรลุ ด, ด้วยการเจริญนี่นะอันนี้ก็รอบที่สามผ่านไปปิยรูปสาตรูปเป็นต้นแนวเดียวกันนี้พอรอบที่สี่นะรอบที่สี่นี้เอาอะไรมาประกอบไปด้วยทุกทุกก่อนใช่ไหมอะไรเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือทุกขสมุทัยนะีนะอะไร ทุกขนิโรธความดับเหตุเลยใช่ไหมทุกขนิโรธอันนี้นี้ทุกขนิโรธไหมอันนี้ก็ว่าทุกขะสมุทัยนิโรธอะไระดับความดับฉันทราคาณิโรธหรือว่าอะไรชื่อเข้าบาลีว่าไงทุกขะฉันทราคานิโรธแล้วก็อัศธา อาทีนวะและก็ น, นิสรณะนะนี่เริ่มพิสดารขึ้นแล้วใช่ไหม <S <S ก็มาดูน ะ, ะบทนี้มีทั้งหมดอยู่แปดคำมีชื่อนิพพานอยู่สี่คำหนึ่งุคขนิโรธสองทุกขสมุทานิโรธสามฉันทรา่านิโรธนิสรณะสนะคำนี่เป็นชื่อของนิพพานหมดเลยนั้นก็คำว่านิพพานนั้น ทุกขนิโรธทุกขสมุทัยนิโรธทุกขฉันทราคะนิโรธแล้วก็นิสรณะการสลัดออกมันชื่อของนิพพานไว้ตั้งสีชื่อแล้ว